วันนี้เป็นวันแรกนะของธรรมญาตราครั้งที่สิบเก้าละพวกเรานะส่วนใหญ่ก็ได้รับประสบการณ์เต็มๆนะจากการเดินวันแรกเป็นยังไงนะไหวไหมใจยังสู้อยู่หรือเปล่า mm hmm. นะบ้านหัวเขิน น, น, นะรราานี่ที่เป็นครั้งที่สองนะที่ธรรมญาตราบางคังแรมครั้งแรกนี่เลือดสเป็นปี 48นะก็13ปีมาแล้วเส้นทางที่เราเดินมานะจากบ้านหนองพีพ้วนเป็นเส้นทางที่เรายังไม่เคยเดินมากอด น, นะโดยเฉพาะตั้งแต่จากบ้านด่ า, ดานเจริญเนี่ยตรงที่เราลัดเลาะเรียบอ่างเก็บน้ำ พาะเราก็นับว่าโชคดีนะเพราะว่าเส้นทางนี้แม้จะเดินไม่สะดวกเหมือนกับเดินถนนนะแต่ว่าก็เป็นเส้นทางที่มีทัศนียภาพสวยงามเพราะธรรมยาตรานี่ยังไม่เคยมีกลุ่มไหนนะครั้งใดที่มาเดินนะเรียบ เ, เก็บน้ำแบบนี้นะซึ่งใดที่เราเ ต้องทำเวลานะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเวลาพักนะชื่นชมทันียภาพนะได้เห็นทั้งท้องน้ำนะแล้วก็อ่วงฟ้ามันอันะเต็มตาอเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีหลายคนอาจจะยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ ตอนช่วงเช้านี่อาจจะรู้สึกว่าชิวๆนะแต่ว่าพอตอนบ่ายโอ้แดดก็แรงทางก็ไกลที่จริงมันยังมีที่ลำบากกว่านี้นะแต่เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับตัวได้ ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนั้นเดินธรรมยัติตาโดยว่าะผู้ที่เดินใหม่ใหม่วันแรกจะรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ยังรู้สึกฟืดฝืด ฟ, ฟื้นฟื้นรวมทั้งอาจจะรู้สึกว่าแดดนี่มันร้อนมากแต่ว่าถ้าเราเดินต่อเนื่องสักสามวันเนี่ย เราจะรู้สึกว่าพอถึงวันที่สี่เนี่ยการเดินจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นเวลามีคนมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยโดยเพาะถ้าปฏิบัติธรรมจริงจังจากคนที่เคยอยู่เมืองนะมีงานการที่มากมาย มีชีวิตที่หุ่นวายพอมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุโกโตก็ดีหรือยิ่งที่วัดป่ามหาวันเนี่ยมันจะรู้สึกง่วงมันจะรู้สึกรู้สึกว่าใจในต่อต้านความเบื่อก็ดีความรู้สึก นาชนิดที่มันประดังประเดชเข้ามาในจิตใจแต่พออยู่สัก3ามวันเนี่ยจากที่เคยว้าวุ่นฟุ้งซ่านหรือว่าเบื่อนายง่วงเหงาหานอนก็จะกลายเป็นความรู้สึกสงบนะแล้วก็ เริ่มมีความพอใจในการที่จะได้อยู่สถานที่นั้นไอ้ที่เคยนอนไม่ค่อยหลับเพราะแปลกที่เนี่ยก็จะเริ่มนอนหลับพอขึ้นมาที่4ี่เนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้นํารมยตาตาก็เหมือนกันนะใครที่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยยังเหนื่อยยังล้า แล้วก็ยังรู้สึกคลุกคลักใจก็จะรู้สึกกังวลอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าให้เรารู้ว่าร่างกายของเราก็ดีจิตใจเราก็ดีเนี่ยจะปรับตัวได้ค่อยๆปรับตัวได้พอถึงวันที่สี่นั้นก็จะดีขึ้นอันจะไปกังวลนะโอ๊ย วันแรกนี่แค่สิบสามกิโลเรายังขนาดนี้พรุ่งนี้เนี่ยสิบ็สิบแปดกิโลนะเราจะไวหวหรือนะไหวแน่นอนอยู่แล้วเดวเรายพอถ้าเรามาเดินด้วยกันเนี่ยมันมีพาสตินะของชอาวแอฟริกันนะบอกว่าถ้าอยากเดินให้ถึงเร็วเนี่ยต้องเดินคนเดียวแต่ว่า ถ้าเดินไกลๆนะมันต้องเดินหลายคนหรือต้องเดินด้วยกันการเดินคนเดียวทำให้ถึงไวก็จริงนะแต่ว่าถ้าจะเดินระยะทางไกลๆให้ถึงจุดหมายในที่สุดเนี่ยนะมันต้องเดินด้วยกันถึงแม้จะช้าหน่อยนะแต่ว่าความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือว่ากําลัง กำลังใจที่ให้แก่กันและกันเนี่ยมันจะช่วยทําให้เดินได้ดีขึ้นกรนารยานมิตรเนี่ยสำคัญอย่างที่เราได้สาธยายมาเมื่อสักครู่เนี่ยกรยารยานมิตรเนี่ยไม่ใช่ครื่งหนึ่งของพรหมจรรย์อย่างที่พระอานุ์ว่าเป็นเท่าหมดของพรหมจรรย์เลยพรหมจรรย์นี่ก็เป็นชี้ทางธรรมในการทําสิ่งยา ก, ยากให้สําเร็จได้เนี่ยแม้จะเป็นเรื่องทางโรคลกนะ มันก็ต้องอาศัยกรยิริยานิมิตรเหมือนกันพระพเจ้าตรัสนะเป็นคาถาหนึ่งในธรรมบทตเดินร่วมกัน79นะก็นับว่าเป็นมิตรนะเดินร่วมกัน129สนอะเก็นับว่าเป็นสหายนะถ้าอยู่เดเดือนหรือกึ่งเดือนเนี่ยก็นับถือวเป็นญาติอันนี้เราไม่เดินแค่79 129นะ วันนี้เราเดินเท่าไหร่นะรู้ไหมฮะสอง่เจ็ดพันเก้าบางคนเนี่ยนึกไม่ถึงนะโอเราจะเดินได้มากขนาดนี้เลยเพราะขนาดแค่เดินให้ได้ห้า0ันเก้านี่ก็ยากแล้วเดี๋ยวนี้ เ, เขา ม, มีคำแนะนำนะว่าถ้าจะให้สุขภาพดีเนี่ย สำหรับคนสมัยใหม่นะต้องเดินมาละหมื่นเกหลายคนทําได้ยากนะเพราะว่าหมืนเกานี่มันต้องเดินเป็นชั่วโมงแล้วก็นอกจากจะไม่มีเวลาแล้วจะไม่มีความเพียรจะมันช่วยมากเลยโดยเฉพาะในยุคนี้เนี่ยเราชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับการอ่ นั่งนั่งนอนๆเเรียกว่าทั้งวันเลยเราไปทำงานเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เดินแล้วเรานั่งนะคือนั่งรถไปถึงที่ทำงานเราก็นั่งอีกนั่งทำงานถึงเวลาพักเราก็นั่งอีกนะก็คือนั่งกินข้าวทำงานเสนนะนร็จก็นั่งอีกนะคือนั่งรถกลับบ้านถึงบ้านก็นั่งอีกนะ บางทีก็นั่งแช่ดูโทรทัศน์นั่งแช่เล่นลน์เล่น line, เฟซออนไลน์แค่ที่อาหารที่เราบริโภคเข้าไปมันก็มีพลังงานเยอะมากเราเติมพลังงานเข้าไปในร่างกายเยอะแต่เราไม่ได้ใช้พลังงานในชีวิตประจำวันเท่าไหร่พลังงานที่รรบเข้าไปเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นโทษนะมันกลายเป็นไขมันนะ มันกลายเป็นส่วนเกินนะที่เก็บสะสมในร่างกายและยิ่งไม่ได้ใช้นะเก็บไว้นานๆนก็กลายเป็นโทษทำให้เกิดโรคหัวใจทำให้เกิดโรคเบาหวานทา ใ, ใ, ให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิดนนการที่ออกการที่เรานะได้ให้เวลากับตัวเองเนี่ยในการเดิน ว่าเรหื่นเก้านี่ยมันช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแต่ก็อย่างที่บอล น, นะหลายคนก็ทำไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ชีวิตประจำวันหลายคนเรื่องการเดินหมื่นเก้าเป็นเรื่องยากเป็นสิ่งที่ห่างไกลนะแต่พอมาเดินทําญญาตายนี่มันสบายมากเลยนะหมื่นเก้าเนี่ยวันนี้เราเดินนะสองหมืนเจ็ดพรุ่งนี้ก็สามหมื่นแน่นะาให้ ปวดนั่งรถแล้วก่อนนะแล้วเราจะรู้สึกแล้วการเดินไป1มื่นหน้ี่มันไม่ใช่เรื่องยากเ ล, ล้วเดินเนี่ยเราก็เดินแบกสัมภาระด้วยวันนี้อาจจะรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยบางก็จจะรู้สึกเผาเผาเพราะว่าโดนแดดเผาตอนบ่ายแต่พอเราได้นอนพักนะวันรุกขึ้นเนี่ยนะพรุ่งนี้เราจะรู้สึก ดีขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นลหลายคนเนี่ยไม่คิดนะว่าโอ้ร่างกายเราจะฟื้นตัวได้เร็วโดวยเพราะมาอยู่ในสถานที่แบบเนีนะ้ไม่ว่าจะเป็นเพราะอยู่บนเขาอากาศดีหรือเป็นเพราะว่ามันไม่มีนะสิ่งเร้ารบกวนทั้งในยามตื่นและยามหลับร่างกายเราก็จะฟื้นได้เร็วไม่ต้องกลัวนะบางคน ตอนนี้ยังรู้สึกล้ายังรู้สึกเคสขัดยอกนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะดีขึ้นและจะรู้สึกโอ้เราสามารถจะเดินได้อีกนะทั้งที่ตอนนี้ยังไม่ได้ใจเลยพรุ่งนี้นี่จะไหวไหมแต่พอถึงตอนเช้านี่มันจะไหวเลยยิ่งเห็นเพื่อนเพืัพ้กระตือรือร้อนทั้กระฉับกระเฉนเด็กๆนี่ก็เตรียมนะเตรียมวิ่งกันแล้วนะเออเราจะเริ่มมีเริ่มมีแรง การเดินของเราเนี่ยมันสำเร็จได้นะเพราะว่ามิสหายนะผู้เจ้าให้ความสำคัญกับการเดินมากอย่างที่คาถาธรรมบทเนี่ยที่พูดการเดินเพียงแค่เดินด้วยกันเนี่ยเจ็ดเก้านี่ก็ถือว่าเป็นมิตรแล้วสิบสองเก้าก็ว่าเป็นสหายการเดินมันมีประโยชน์มากนะผู้เจ้านี่อนงะเรียกว่าเดินนี่ตลอดพระชนชีพเลยนะหรือโดยเฉพาะตั้งแต่ ที่ได้เสร็จออกบอุจยิ่งเมื่อได้ตัดสรุแล้วนี่ไม่ว่าจะเสร็จไปไหนนี่ก็เดินเอาทั้งนั้นใครที่ไปเยือนสังเวชชนิสถานเนี่ยพะเจ้าอัศจรรย์มากพระเจ้าเดินจากไปสิบปัตนะเมริก็ไทวันไปเมืองราชครึ หรือที่จริงตั้งแต่พุทธิพุทธคยาเนี่ยพุทธิคยาเนี่ยเดินปไปปลายสิบปัตนะเนี่ยสารนาเนี่าานานนก็ไกลนะเป็น100กิโลจากป0สิบปัตนะออกพรรษาก็าเดินเสร็จไปกรุงราชครื้อไกลมากจากกรุงราชครืก็ต่อไป กรงกบิลลพัทไกลขนาดเรานั่งรถนี่ยังเหนื่อยเลยแต่ว่าพระเจ้านี่นอัศจรรย์ด้วยพระองค์เองการเดินเนี่ยมันเป็นเป็นเครื่องมือที่เก่าแก่นะที่อนเนกประสงค์มากและทุกวันนี้เนี่ยนะมันก็ยังมีความสำคัญอยู่ แม้ว่าเราจะมีรถมีเครื่องบินแต่ว่าการเดินเนี่ยก็ยังมีคุณค่าเราก็ยังสงสัยว่าธรรมยัตเนรายทำไมเราถึงใช้วิธีการเดินไม่ใช้วิธีอื่นที่มันสบายมันรวดเร็วมันกินพื้นที่ได้ในเวลาที่น้อยนิด การที่เดินเนี่ยนะมันมีเหตุผลหลายอย่างเหตุผลประการนึงคือว่ามันเป็นวิธีการที่คนสามารถจะเข้ามาร่วมได้เยอะคือถ้าใช้รถเนี่ยมันก็ต้องมีเงินนะในการที่จะเมารถไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินจะเมารถมันก็ต้องมีเงินจริงๆแม้กระทั่งวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยก็มีความคิดนะ ตอนที่เราอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะเห็นเห็นแพไหมะนะแพยน น, นนะนะเห็นแล้วอยากจะนั่งไหมอยากจะนั่งนะโอ้วัยรุ่นก็ไปไปเฉลมิมฉลองสนุกสนานกันเพื่อมีความคิดนะว่าคนพวกเราไปครั้งละห้าสิบคนนะข้ามอ่างเก็บน้ำมาถึงวัดเลย เพราะแต่มันื่องการจัดการนี่มันวุ่นวายนะแต่ว่าถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมามันเดินด้วยกันใช้เวลานา น, านหน่อยแต่ว่ามันทุกคนก็สามารถจะทําได้การเดินเนี่ยมันเป็นวิธีการที่คนสามารถจะร่วมได้เป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นได้ซ้ํา โดยที่การจัดการก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ถ้าพูดถึงการเดินแต่ที่สำคัญก็นั่น ก, ก็คือว่ามันเป็นการแสดงความตั้งใจนะมันมีความหมายในเชิงสั ญ, ญลักษณ์โดยเพราะกับคนที่เราต้องการสื่อสารเราต้องการจะมาบอกผู้คนทั้งตามสองข้างทางและที่อื่นว่า ธรรมชาติเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญนะที่เราควรจะช่วยกันรักษาอนุรักษ์เอาไว้เราต้องการบอกให้คนได้รู้ว่าตอนนี้ธรรมชาติกำลังถูกทำลายเสียงของเราเนี่ยนะหรือว่าสารที่เราต้องการสื่อเนี่ยมันจะมีน้ำหนักนะถ้าว่าเราใช้วิธีการเดิน ถ้าเราพูดนะบอกชาวบ้านว่าช่วยกันอนุรักป่าแต่เราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันจะมีน้ำหนักน้อยนะเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ถ้าว่าเรายอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะลําบากเพื่อที่จะมาสื่อสารตรงนี้สารของเราเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่า ขณนะนเรายัง ย, ยอมเหนื่อย ย, ยังยอมลำบากเพื่อที่จะมาเป็นปากเป็นเสียให้กับธรรมชาติความลำบากของเราเนี่ยมันแสดงเห็นว่าเราจริงจังกับสิ่งที่เราพูดอ้าเราไม่จริงจังกับส <fur> ิ่งที่เราพูดเราก็ไม่ไม่มายอมลำบากหรอกเราจริงจังในสิ่งที่เราพูดเราเห็นว่าธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญสาคัญมากพอที่เราจะยอมเหนื่อยยอมลาบากยอมเหนื่อยยาก นี่มันมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์นะที่ทำให้คนเขาก็จ ะ, ะพิจารณานะหรือรับฟังนะสิ่งที่เราต้องการสื่อมากขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นวิธีการที่คนเขาไม่เคยใช้กันมันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นความสนใจของผู้คนทำให้เขาหันมาตั้งคำถามอย่างน้อยก็ตั้งคำถามว่าทำไม เราถึงต้องมาเดินอย่างนี้เราทําอะไรเราอยากจะบอกอะไรนะเราถึงมาเดินอย่างนี้อันนี้มันก็ทําให้เกิดความสนใจใคร่รู้ซึ่งก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สื่อสารอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะในการเดินธรรมญาตราแล้วก็เป็นเหตุผลนะที่หลายๆคนใช้วิธีการเดินนะเพื่อที่จะ สื่อสารบอกข่าวหรือเปล่าประกาศในเรื่องที่สําคัญสมัยที่คอมเเนี่ยยังมีการรบกันคอมเมนฝ่ายทําสงครามกันเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วจริงจริงมันถอยแล้วมื่อสีปีที่แล้วแล้วก็มีความพยายามที่จะทําให้เกิดสัญญาสันติภาพระหว่างคอมเมนมฝ่าย ซึ่งก็รวมถึงการที่ประเทศหมหาอำนาจเนี่ยเขาก็จะต้องมาตกปากรับคำนะว่าจะสับสนให้เกิดสัญญาสันติภาพไม่ใช่ไปยุยงางแต่แงรั่วมีสัญญาสันติภาพแล้วคนก็ยังกลัวว่ามันจะมีสันติภาพจริงไหมมีความระแวงมีความหวาดกลัวตอนนั้นสมเด็จพระมหาโคสนันทะนะท่านเป็น เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ของเขมรท่านเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในเรื่องของสติภาพและการใช้อหิมสาท่านก็เลยจัดเดินธรรมยาตราจากชายแดนของไทยนะเมื่อ30ปีก่อนแล้วก็เดินไปตามเขตที่เคยมีการรบพุ่งกันทั้งเขตของเขมรแดง แล้วก็ต่อมาจนถึงเขตของขเขมรเฮงสำรินตอนแรกคนก็กลัวนะพราะว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นไหมเพราะคนไม่แน่ใจในสันติภาพแต่ท่านก็พาพระสงเดินทั้งพระขเขมรพระไทยพระญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีคนมาร่วมเดินกันเป็นร้อยอุ้นบากกว่านี้มาก ทางก็แย่เดินไปถึงพนมเป็นเป็นเดือนนะท่ามกลางความอกสั่นขวัญแขวนว่าจะเกิดการรบพุ่งจะมีใครตายเพราะโดนกับระเบิดหรือมีการยิงอะไรกันหรือเปล่าแต่บอกว่าตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยท่านนำเอาความหวังนะแล้วก็ความมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ย มาสื่อให้กับคนที่ท่านเดินผ่านการที่ท่านเดินแล้วก็มีคนเนี่ยเป็นหลายร้อยเนยนะเดินเนี่ยร่วมเดินด้วยทดโดยที่ไม่กลัวอันตรายมันทำให้คนมีความหวังมีความหวังในสันติภาพลดความวัดระแวงกันแล้วก็หันมาหันหน้าเข้าหากันแม้ว่า ยังมีความวาระแวงกันอยู่บ้างหรือแม้ว่าจะมีความมีบาดแผลที่เกิดจากการสูญเสียคนรักเพราะฝ่ายตรงข้ามอาการที่ท่านหาโฆษณานท่านท่านยอมลำบากมันเป็นการทำให้คำพูดของท่านเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็ทำให้อาการขึ้นดีกันของกมณีสามฝ่ายมันก็เกิดขึ้นได้ในที่สุด อาการรบพุ่งก็ยังมีบ้างปรากปลายต่อหลังก็สงบลงธรรมยาตราครั้งนั้นเนี่ยนะมันก็เลยเป็นที่มาของธรรมย atra อีกหลายครั้งนะในเมืองไทยมันมีที่มามาจากสมเด็จพระมหาโคสนันทะนะที่จัดธรรมยาตราที่คอมเมอันนี้ธรรมย atra ก็เริ่มเป็นคําที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีการนํามาใช้ ในหลายที่ให้ความรู้สึกที่ดีการเดินเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ได้ให้เกิดผลซึ่งบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะว่าโอ้มันจะมีพลังขนาดนั้นอย่างเช่นตอนที่คารทีเนี่ยพาคนเดินเพื่อประท้วงกฎหมายเกลือเมื่อประมาณสัก เกือบ90ปีมาแล้วอตอนนั้นอังกฤษนะเขายึดครองอินเดียแล้วเขาก็มีกฎหมายว่าห้ามคนอินเดียเนี่ยทำเกลือถ้าทำเกลือนี่ต้องเก็บภาษเีเขาต้องการให้ซื้อนะซื้อเกลือแตาคารทีเนี่ยต้องการประท้วงแล้วก็ประกาศเดินเดินจากอาศองท่านเนี่ยลงมาที่ ริมทะเลเระยะทางวันสองเกือบสามรอกิโลเมตรอาทิตย์แรกคนก็หัวเราะนะโอ้ว่ามันจะมีน้ำยาอะไรนะไอการแค่เดินเนี่ยมันจะมันจะมีผลแค่ไหนจะ <c oughs> ปรากฏว่าจากเดิมที่จากวันแรกที่เดินกัน4ี่0ห้าิคนนี่พอมาถึงวันสุดท้ายพอมาถึงกลางทางคนนี่เป็นหมื่นเลยนะ อังกฤษที่ตกใจเลยแล้วพอมาถึงจุดหมายปลายทางนี่โอ้คนหลายหมื่นแล้วกาา้าท้าทายทำเกลื อ, อด้วยตัวเองเลยเรียกว่าเป็นการสั่นคลอนอจักกวรดนิยมอังกฤษอย่างที่ไม่มีใครทำมาก่อนอ้เราก็ไม่ได้หวังจะให้การเดินของเรามีพลังขนาดนั้นนะแต่ว่า ให้เราตระหนักว่าการเดินนี่มันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากไม่ว่าจะเดินคนเดียวหรือว่าเดินหลายคนเดินคนเดียวนี่อาจารย์ประมวลก็เคยเดินมาแล้วเป็นการเดินที่ภายหลังก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากเพราะว่าจะเป็นการเดินชนิดที่ทำให้คนพบตัวเองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ หลายคนอาจจะนึกไปถึงการเดินนะมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะอย่าว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแต่มันสามารถจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจของเราได้คนสมัยก่อนเขาก็ใช้การเดินนี่แหละเพื่อการค้นพบตัวเองที่เรียกว่าเดินจาเลี้แสวงบุญที่จริงเนี่ยไอ้บุญเนี่ยนะมันไม่ต้องไปเจอกันข้างหน้านะสแสวงคือหมายความว่า ไปเห็นไปหาไปพบข้างหน้าแต่ที่จริงเนี่ยนะการเดินมันเป็นบุญอยู่ในตัวอยู่แล้วจะเรียกว่าจาริกสแสวงบุญก็คงไม่ถูกนะเพราะว่าในทุกก้าวที่เดินเนี่ยมันก็เป็นบุญอยู่แล้วมันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจได้ไม่เรียกเป็นการจาริกบุญมากกว่าคือการจาริกในตัวมันเองก็เป็นบุญอยู่แล้วไม่ต้องไป ไปถึงจุดหมายปลายทางนะถึงจะประสบความสาเร็จหรือเกิดผลเนระหว่างที่เดินเนี่ยเดินด้วยความตั้งใจเดินด้วยความอุตสาหะเดิมเพื่อที่ฝึกฝนตนเองเมันก็สามารถทําให้เกิดอ น, นิสงส์อันนี้ก็เป็นประโยชน์หรือเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะของการเดินธรรมยถาคือเดินเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่เพื่อ ให้คนมาตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อที่ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีกับธรรมชาติให้เป็นลักษณะของความอบอ้อมอารีเบียดเบียนกันน้อยลงหรือทําให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นอันนั้นประโยชน์ในภาพกว้างนะแต่ประโยชน์ในในมิติที่ลึกนะมันก็มีนะคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้ได้รู้จักตัวเองอถึงแม้วันแรกเนี่ยนะมันจะเป็นแค่ชิมลองนะมันยังมีอะไร ที่เป็นธรรมญาตราอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เจอแต่เราจะได้เจอหนถ้าเราเดินครบมันไม่ใช่แค่จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราระหว่างทางซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ลาบากกว่าเดิมลำบากกว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่าเราจะเห็นเราจะได้เจอ ศักยภาพใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ในตัวเราอันนี้มันก็จะเผยมันก็จะแสดงออกมาเหมือนกันระหว่างทางทางข้างหน้านี่มีความยากลำบากที่มันจะแสดงตัวออกมาให้เราเจอให้เราประสบแต่ไม่ใช่แค่นั้นศักยาภาพที่มันแฝงเล่นอยู่ในตัวเราความสามารถที่เราไม่เคยรู้ว่ามีเนี่ยมันก็จะแสดงหรือมันก็จะเผยตัวให้เราเห็นเหมือนกัน ที่ทำให้เรารู้โอ้โหเราไม่คิดว่าเราทาได้อย่างนี้หรือเราไม่คิดว่าไม่เคยคิดว่าเรามีสิ่งนี้ในตัวด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เหมือนกันนะในระหว่างที่เดินเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งท้อแท้นะอย่าพึ่งวิตกกังวลเราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นก็จะช่วยกันประคับประคองทุกคน ให้ไปถึงจุดหมายถ้าหากว่าตั้งใจนะที่จะมาเดินให้ให้ครบเส้นทางนะก็ให้มั่นใจว่าเนี่ยความเป็นกัญยานนของเรานะมันจะช่วยประคับประคองพวกเรานะไม่ว่าเด็กหนุ่มสาวหรือผู้ชาราเนี่ยจะให้ไปถึงจุดหมายได้ แล้วก็ช่วยช่วยทำให้เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเรามีหรือไม่เคยนึกว่าเราจะทำได้รวมทั้งการได้เห็นความสุขความสุขที่มันซุกซ่อนอยู่ในใจจากเติมที่คิดว่าสุขเนี่ยมันต้องไปสแสวงหาจากข้างนอกหรือว่าต้องมีความสะดวกสบายแต่บางทีไอ้สุขที่ประเสริฐกว่านั้นที่ประณีกว่า น, นั้นเนี่ยมันก็อยู่กับ แสงอยู่กับความเรียบง่ายแม้ว่าจะต้องนอนกลางดิงกนกลางทรายห้องน้ำก็ลำบากแต่ว่ามันจะมีรสชาติบางอย่างนะที่ทำให้เรารู้สึกรู้สึกดีกับมันรวมทั้งการค้นพบว่าไอ้ความยากลำบากทางกายเนี่ยมันไม่เป็นอุปสรรคที่จริงกับส่งเสริมด้วยซ้ำนะ้เที่ททำให้เราพบความสุขภายในใจอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญานะ แม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกก็ยังหาสุขพบประสบทุกนี่คือทุกกายนะแต่ว่าหาสุขพบนี่คือสุขพบที่ไหนพบที่ใจแม้ประสบทุกข์ก็ยังพบสุขที่ใจธรรมญาตานี่มันจะทำให้เราได้เห็นอ่าสาระธรรมตรงนี้แหละนะอย่างชัดเจนถ้าว่ายัางไม่ท้อนะอยัง เต็มใจนะที่จะร่วมเดินนะไปจนถึงบ้านหล่นถ้าแต่ถ้าไม่มีไม่สามารถจะลางงานได้นะบางทีก็อาจจะพบกับความจริงข้อ น, นี้ระหว่างทางก็ได้ก่อนที่จะกลับบ้านไปอา่าคำนี้ก็บนท่นนี้นะอา่ากลับห้อมกัน